การคุมกําเนิดถือว่าบาปไหมถามการคุมกําเนิดเป็นบาปในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ตอบบาปที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเข้าข่ายปานาติบาตสำหรับปานาติบาตนั้นประกอบด้วยองค์คือ หนึ่งมีความคิดที่จะฆ่าคือตั้งเจตนาว่าจะสังหารแน่ๆ แ, แต่ตราบเท่าที่ยังไม่ลงมือสังหารปานาติบาทก็ไม่สำเร็จครบองค์ 2. สัตว์นั้นมีชีวิตหมายความว่าถึงแม้เห็นเงาวูบวาบและนึกว่าเป็นสัตว์ก็ไม่นับถึงแม้จะมีเจตนาฆ่าปานาติบาทก็ไม่สำเร็จครบองค์ 3. ม, มีความพยายามลงมือฆ่าหมายความว่าถึงแม้มีเจตนาอยู่ในใจว่าจะเอาจริงแต่ยังไม่มีการลงมือจริงอาจเปลี่ยนใจได้เส็จก่อนปนานาติบาทก็ไม่สำเร็จครบองค์ 4. ส, สัตว์นั้นตายลงหมายความว่าองค์ข้อก่อนๆครบแล้วแต่สัตว์ไม่ตายปนานาติบาทก็ไม่สำเร็จครบองค์อยู่ดี ขอให้พิจารณาว่าแม้ชีวิตก็ยังไม่เกิดเจตนาฆ่าก็ยังไม่มีแถมสัตว์ไหนก็ยังไม่ได้ตายลงไปเพราะฉะนั้นบาปข้อปาณาติบาตก็ยังไม่เกิดขึ้นหรอกครับทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทำหมันโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีลูกแล้วแต่ถ้าทำหมันโดยที่ยังไม่เคยมีลูกแม้แต่คนเดียวก็อาจส่งผลถึงชาติถัดไปบ้างคือจะมีลูกยากนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับมีไม่ได้เลยถ้าพยายามจริงๆคือแม้ไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องอาศัยวิทยาการก็มีได้ถ้าทำกันบ้านไปเรื่อยๆ